กายที่สองแล้วได้ไปเห็นสิ่งต่างๆอ่างไกลออกไปตลอดจนถึงได้ทราบความจริงทางวิญญาณของชีวิตอีกด้วยผลก็คือเขาได้กลายเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกของโลกที่ไม่อยู่ในอำนาจของการเวลาและความตายเลยเขาได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เขาพยายามขัดขืนประสบการณ์นอกกายเนื้ออย่างสุดกำลังในระยะแรกๆซึ่งต่อมาก็เกิดขึ้นบ่อยหนักเข้าทุกทีอย่างน่าตกใจ แต่ต่อมาเขาก็ค่อยคลายความหวาดกลัวลงได้ในเมื่อได้ศึกษาถึงความจริงทางประเทศตะวันออกซึ่งมีประวัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้มานานนักหนาแล้วและอันที่จริงแม้บุคคลในตะวันตกเองก็มีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ได้มีประสบการณ์แบบนี้หนังสือเรื่องนี้จึงเป็นการบรรยายอย่างน่าตื่นใจเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของมิสเตอร์มอนโรซึ่งได้ไปเผชิญภัยอย่างกล้าหาญในโลกหรือดินแดนอันลึกลับ กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือบรรยายเรื่องราวจากผู้ที่ได้ประสบมาด้วยตนเองแท้ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ข้อคิดว่าความรู้ในจักวานฝ่ายวัตถุของเรายัางมีเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปอีกมากและแนวความคิดเรื่องชีวิตและความตายของเราก็ควรจะมีการคิดทบทวนกันซิใหม่ได้แล้วอันที่จริงประสบการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เกิดมีเฉพาะแต่กับมิสเตอร์มอนโรหรือคนอื่นอีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้น คือคงจะเกิดมีขึ้นแก่คนอื่นอีกไม่น้อยเหมือนกันเป็นแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดหรือเขียนออกมาด้วยชื่อจริงเท่านั้นสำหรับผู้ที่รักกา ร, รเผชิญภัยอยู่บ้างผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำไว้ตั้งแต่ระยาต้นไปเป็นลำดับทั้งนี้เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างตามสมควรโรเบิร์ตเอมอนโรผู้เขียนเรื่องนี้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในวิชาการด้านการคมนาคมได้เคยเขียนเรื่องต่างๆให้หนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆมาไม่น้อยและได้เคยทำงานในแผนกโทรทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัจจุบันเป็นประธานของบริษัทสองแห่งซึ่งดำเนินการในเรื่องโทรทัศน์และอิเล็กทรอนิกส์ครอบครัวมอนโรมีบ้านพักอยู่ที่ไร่ใกล้บูริสในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของสถาบันค้นคว้าทางจิต ซึ่งเขาเป็นผู้เปิดดาเนินการเมื่อปีกฤิสศรักราช้1ยเชีวิตในระยะแรกของมอนโรยู่ทเล็กซินตันเคนทักี้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติเหมือนคนที่อื่นทั่วไปและมีบรรยากาศในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความผาสุขรื่นเริงที่มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นโอไฮโอเขาได้ศึกษาวิชาการแพทย์เบื้องต้นการพาณิชวิศวกรรมการหนังสือพิม การละครและภาษาอังกฤษหลังจากสำเร็จและได้รับปริญญาแล้วเขาได้เข้าทำงานในธุรกิจการกระจายเสียงในฐานะเป็น w รเตอร์ i ด e ร t เตหมายเหตุการศึกษาในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นจะเกิดประโยชน์ได้มากมายถ้าได้ศึกษาได้ครบถ้วนและถูกต้องกันจริงก็อยากขอให้ทุกท่านเปิดใจลองศึกษาด้วยใจเป็นกลาง อะไรที่ไม่เข้าใจหรือขัดแย้งกับความรู้สึกในใจก็เก็บไว้ก่อนอยากให้ฟังให้จบและจับจุดสำคัญให้ได้แนะนำว่าลองศึกษาหนังสืออีกมากของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณทั้งที่เป็นงานแปลและที่เขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณจะทำให้หลายท่านได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆที่ครบถ้วนและหายสงสัยในสิ่งที่ค้างคาใจไปได้ในที่สุด